สิบคาบทวิพันธ์สิที่ชื่อว่ากล่าวเสียดสีได้แก่ภิกษุกล่าวเสียดสีด้วยอาการสิอย่างคือวงเล็บหนึ่งชาติกำเนิดบ้างวงเล็บสองชื่อบ้างวงเล็บสาระกูลบ้างวงเล็บสีหน้าที่การงานบ้างวงเล็บห้าศิลปวิทยาบ้างวงเล็บหความเจ็บไข้บ้างวงเล็บ7รูปลากบ้างวงเล็บ8กิเลบบ้างวงเล็บ9้าอาบัตบ้างวงเล็บ10บคำด่าบ้าง